ข้อความในพุตธการนิการพุทธวงศการศึกษาคำพีพุทธวงศเนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้รู้จักวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดบ้างแล้วก็เราจะได้รู้จักความรู้สึกนึกคิดของพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ก่อนได้รับพุทธพยากรคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพยากรว่า จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อได้รับพยากรเสร็จแล้วท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรแล้วก็ท่านทำอะไรสิ่งที่ท่านคิดเรียกว่ามโนสุจริตสิ่งที่ท่านพูดเรียกว่าวจีสุจริตสิ่งที่ท่านทำเรียกว่ากายสุจริตคือเมื่อได้รับพยากรแล้วท่านมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต no อย่างไรแล้วท่านสั่งสมบุญสั่งสมญาสั่งสมความรู้อะไรบ้าง แล้วท่านมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเนี่ยนท่านทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์เหล่าไหนอ่าท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไรแล้วท่านทําอะไรบ้างเนี่ยแล้วท่านดํารงอยู่ในคุณธรรมประจําใจอะไรบ้างท่านมีที่เรียกว่าอธิฐานธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งแห่งจิตใจของท่านท่านดํารงอยู่ด้วยสัจจาธิฐานอุปสมาธิฐานจารคาธิฐานปัญญาธิฐานอย่างไร ท่านบำเพ็ญสังฆะวัตถุสี่มีทานติยวาจาอัฏฐเจริยาสมานตาตาอย่างไรแล้วท่านประพฤติพุทธภูมิอย่างไรเนี่ยภูมิที่ตั้งแห่งภูมิเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประพฤติสงเคราะห์แก่โลกอย่างไรประพฤติ ท, ทำตัวเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรประพฤติ ท, ทำตัวสงเคราะห์แก่หมูญาติทั้งหลายของพระองค์อย่างไร แล้วพระองค์ประพฤติปฏิบัติอะไรที่เป็นฐานสําคัญที่เรียกว่าพุทธะเจริยาความประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์นั้นภาคเพียรในการเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอย่างไรพระองค์มีศรัทธาเช่นไรพระองค์มีความภาคเพียรพยายามอย่างไรพระองค์มีสติอย่างไรพระองค์มีจิตใจดํารงมั่นมีสมาธิอย่างไรแล้วพระองค์มีปัญญารู้อะไรบ้าง พื้นฐานของปัญญาของพระองค์นี้มีวิจารณญาณเป็นอย่างไรแล้วก็อัธยาศัยของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างพระองค์สั่งสมอัธยาศัยอะไรในบรรดาอัธยาศัยหเช่นอโลพัธยาศัยมุ่งกําจัดความโลภอโทพัธอโทสัธยาศัยมุ่งกําจัดความโกรธอโมหัธยาศัยมุ่งกําจัดความหลงเนคข ม, มัธยาศัยมุ่งออกจากการวิเวกัตยาศัยยินดีในการหลีเกเรน้น ยินดีในการอยู่เงียบๆแล้วก็นิสรณัทยาสายัยอัธยาสัยต้องการออกจากวัตะโดยประการทั้งปวงต้องการออกจากกรรมออกจากวิบากออกจากกิเลสทั้งหลายต้องการหลุดพ้นจากขันธาตุอายตนะเป็นที่รองรับอ่าเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์มีปฏิ ญ, ญาว่าอย่างไรเนี่ยนะอ่าคำว่าปฏิ ญ, ญาณที่พระองค์กล่าวไว้แล้วที่เป็นสัจจวาจาที่เป็นสัมมาวาจา ที่พระองค์ตรัสถึงว่าพระองค์ข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยแล้วพระองค์ช่วยผู้อื่นข้ามอะไรบ้างข้ามจากที่ไหนไปสู่ที่ไหนนะพระองค์ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพระองค์ตรัสรู้อะไรและพระองค์เนี่ยช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อย่างไรเนี่ยนะแล้วต่อไปแล้วพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยปรินิพานที่พระองค์ปรินิพานนั้นเป็นอย่างไรและพระองค์ช่วยให้ผู้อื่นปรินิพานได้อย่างไร อันพระองค์ฝึกแล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นฝึกด้วยพระองค์ฝึกอะไรแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้ามีวิธีการฝึกสัตว์เหล่าอื่นอย่างไรเนี่ยแล้วก็ในบรรดามหาบริสวิตกความนึกตรึกนึกคิดของมหาบุรุษทั้งหลายที่ตรึกถึงเรื่องการมักน้อยเนี่ยท่านมักน้อยอย่างไรท่านตรึกในเรื่องความสันโดษเนี่ยท่านสันโดษอย่างไรท่านน้อมไปเพื่อการไม่คลุกคลีอย่างไร น้อมไปเพื่อวิเวกอย่างไรน้อมไปเพื่อปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงคุณธรรมที่ยังไม่เข้าถึงอย่างไรเนี่ยนะแล้วต่อไปพระองค์เจริญศรัทธาอย่างไรจเจริญวิริย ะ, จะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอย่างไรแล้วพระองค์แสวงหานิพพานอย่างไรพระองค์แสวงหากุศลอย่างไรแสวงหาบทอันสงบประงับบทเป็นที่ดับทุกข์อย่างไรเนี่ยนะแล้วพระองค์คิดอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันกับแต่ละเรื่องที่พระองค์เกี่ยวข้อง พระองค์มีโยนิโสมณสิการอย่างไรพระองค์โยนิโสอะไรบ้างอะไรบ้างที่พระองค์โยนิโสแล้วเป็นที่ตั้งแห่งปีติปรามโมทย์ปัสสัต t h สมาธิอุเบกขาหรือเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิยะถาภูตยา น, นัศนะนิพพิทาวิราคะเป็นฐานของการตรึกแล้วเป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานพระองค์ตรึกอะไรพระองค์คิดอะไรและสุดท้ายอย่างที่เรากําลังเรียนในพุทธวงศ์ก็ยกตัวอย่างว่าที่ภาษาริบุตรถามพ ร, พระองค์ว่า พระองค์ให้ทานอย่างไรพระองค์รักษาศีลอย่างไรพระองค์เจริญเน่ขมมะอย่างไรพระองค์เจริญปัญญาอย่างไรพระองค์มีความภาคเพียรพยายามอย่างไรพระองค์มีขันติอะไรบ้างพระองค์อดทนอย่างไรอดทนอะไรบ้างแล้วพระองค์นั้นมีสัจจวาจาเนี่ยนะวาจาสัจที่พระองค์รักษารักษาอย่างไรแล้วพระองค์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระองค์สมาทานอธิษฐานในการเจริญ บุญกุศลทั้งหลายอย่างไรพระองค์มีอุเบกขาอะไรบ้างพระองค์วางใจไว้อย่างไร น, นะบารมีสิพระองค์เป็นอย่างไรอุปปารมีสิพระองค์เป็นอย่างไรประมัทบารมีสิบพระองค์เป็นอย่างไรและที่สําคัญอันหนึ่งบุญยะกิริยาวัตถุอย่างอื่นอีกเช่นทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือกิจที่สมควรการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศล การแสดงธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ฟังธรรมอะไรบ้างพระองค์ไปฟังที่ไหนฟังกับใครฟังและจำได้แค่ไหนและที่สำคัญพระองค์มีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐุชุ ก, กรร ม, มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตอย่างไรนะถ้าหากว่าเราตั้งโจทย์ได้เยอะๆเราก็จะศึกษาพระธรรมได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจา้าถ้าเราเข้าใจพระพุทธจเจ้าเท่าใด ศรัทธาของเราก็จะมีกำลังมั่นยิ่งขึ้นว่าเราเลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสถูกต้องแล้วเราไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าเชื่อด้วยความโง่เขลางมงายเชื่อเพราะคําโฆษณาชวนเชื่อแต่เรามีศรัทธาเพราะเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาของเราเป็นอย่างไรทำไมเราจึงยอมมอบกายถวายชีวิตอุทิศแก่ท่านทาไมเราจึงขอเป็นสิทธิศึกษาพระธรรมคาสอนของท่าน ทำไมเราจึงสละกายวาจาใจจะไปในทิศใดก็เพื่อไปบูชานอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเข้าใจพระองค์เท่าใดเราก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตามคําที่พระองค์สอนเท่านั้นเนี่ยนะถามว่าการยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนคําถามมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้รับผลประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมตรงที่เรานับถือพอท่าน ตรงที่เราเชื่อถือคําสอนของท่านพระพุทธเจ้าได้ดิบได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมบอกไม่สิ่งใดที่เราปฏิบัติสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายเ น, นี่ยนะคือแล้วก็ประโยชน์ความสุขที่เราทั้งหลายได้รับนั้นก็เป็นความสุขที่ที่มันเป็นความจริงที่เราเองก็ไม่ใช่เกลียด ก, กล่อมหลอกลวงตัวเองขึ้นมา น, นะเพราะว่าเป็นกุศลที่เรียกว่าผ่านการไข่ครวนวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ในชาดกเรื่องหนึ่งก็บอกว่ากรรมใดที่ยังไม่ได้ปรึกษาวินิจฉัยกรรมนั้นย่อมยังความเดือดร้อนใจให้ในภายหลังคกก็ okay, okay, มีเรื่องอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งปุณยักษ์เนี่ยไปขอลูกสาวของพญาวิรุณนาคราชนะก็เลยบอกว่าท่านอยากได้ทรัพย์เท่าไหร่บ้างนั้นทก็ถามท่านอยากจะเอาสมบัติเท่าไหร่จะเอาช่างม้าวัวควายจะเอาแก้วแหวนเงินทองเท่าไหร่บอกมาได้เลยขอให้ท่านยกลูกสาวให้ก็พอใจ ก็บอกว่าเออก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอปรึกษาแม่บ้านก่อนบอกว่ากรรมใดที่ทําแล้วโดยไม่ปรึกษาหารือกันกรรมนั้นจะยังความเดือดร้อนใจในภายหลังถ้าเกิดวันนี้เราใช้อํานาจสิทธิ์ขาดสั่งเอ่ยกให้แต่เสร็จแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยแต่วันนี้เขาไม่กล้าพูดเดี๋ยววันหลังเราเดือดร้อนแนะ่เดี๋ยวฝ่ายค้านจะมาตามประท้วงกันะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวเป็นต้นก่อนเขาว่างั้นฉันใด เราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องมีโอกาสได้ทบทวนเหมือนกันนะัในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนั้นในทางโลกแต่ละเดือนแต่ละปีเขายังมีการทบทวนเลยใช่ไหมชันใดบุญกุศลคุณงามความดีนี่เราต้องมาทบทวนเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าขวบปีที่จะไปอินเดียอีกรอบละก็ต้องมามาทบทวนเหมือนกันว่าเราเจริญกุศลกันแค่ไหนะนะเจริญกุศลด้วยสุขโสมนัสเพิ่มขึ้นไหมศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหม ทีนี้ก็จะไปอีกก็เลยมาคิดดูว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยกว่าเก่านี้ถือว่าเสียหายมากหรือถ้าฉลาดเท่าเก่าไปกราบเท่าเดิมคิดได้เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมโอ้แสดงว่าถูกตอนมาตั้งปีหนึ่งสติปัญญาถูกตอนถูกบอลใสสมบทสภาพเลยนะไม่เติบไม่โตอะไรเลยน่าสงสารขนาดไหนคิดดูให้เวลาทั้ง365วันให้วันละ24ชั่วโมงเลยนะให้ มีเวลามากมายแล้วถ้าไม่เจริญขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นชั้นใดผู้ที่ศึกษาคําสอนเนี่ยต้องหมั่นทบทวนตัวเองบ่อยๆว่ากุศลที่เราเจริญนี้เป็นวิเศษภักดีไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงการถอยหลังเล่าบุญกุศลเราเจริญเนี่ยเราเจริญเติบโตขึ้นขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดเราเจริญบุญกุศลเนี่ยเราเจริญเอาใจใคร ตั้งคำถามนะว่าถ้าเราจะเอาบุญทําบุญเนี่ยเอาใจใครถามให้บ่อยๆเไม่งั้นนะคนที่เราควรจะเกรงใจมีสองคนเท่านั้นละหนึ่งตพระพุทธเจ้าสองตัวเองคนที่รู้จักเกรงใจตัวเองเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะคนที่เกรงใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนมีโอตตะปะมันก็มีหิริและโอตตะปะใครที่มีหิริโอตตะปะอย่างนี้ก็เจริญได้แต่ที่สําคัญว่าเอาแต่ใจตัวเองกับเกรงใจตัวเองนี่คนละอย่างกันนะฟังให้ดี เอาแต่ใจตัวเองนี่เป็นยังไงอัน น, นคิดแบบเด็กๆกันนั่นแหละเอาแต่ใจตัวเองมีเหตุผลสักอย่างแต่ถ้าเกรงใจตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองทำไมจะต้องทำเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจด้วยเนี่ยนะทำไมเราจะต้องสร้างความเสียหายให้กับตัวเองด้วยแล้วพระพุทธเจ้าห ว, วังประโยชน์หวังความสุขให้แกเราเราเกรงใจพระองค์ขนาดไหนที่จริงเกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญหรือควรละ ควรเจริญนะเป็นอริยสัพนะฮิริโอตาปะเป็นอริยสัพย์เป็นธรรมที่ควรเจริญพัน้าเราเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใดเท่าใดแปลว่าเราเจริญขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเรารู้สึกเกรงใจคนอื่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเกรงใจแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงใครก็เกรงใจไปหมดดูท่าเริ่มป่วยแล้วนะนั่นนะต้องหาหมู่หาหมอแล้วล่ะ ยาอะไรสักได้ให้มันรักษาโรคเรานั้นนะนะก็คือคนที่น่าเกรงใจที่สุดเนี่ยเคือเกรงใจตัวเองแต่ทีนี้วิจารณญาณต้องแม่นยำอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษสิ่งที่เราทำอยู่นี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกเราจริงหรือแน่ใจนะสบายใจนะอะไรเงี้ยก็ถามตัวเองเราจะได้เกรงใจตัวเองมากขึ้นถ้าหากว่าเราจะทาบาปทอาอกุศลเราบอกว่า เรายินดีที่จะรับผลผลแห่งการกระทําเหล่านี้ด้วยตัวเองใช่ไหมเ <indeed. S 1> ต็มใจที่จะรับวิบากที่เรากระทําเหล่านี้ใช่ไหมถามตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะได้เกรงใจตัวเองเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเป็นเนี่ยนะเรียกว่าคนที่มีปัญญาจะไม่เบียดเบียนตัวผู้อื่นคนที่เกรงใจคนอื่นเป็นเนี่ยจะมีกรุณานะจะมีกรุณาพันปัญญากับกรุณาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกรุณาเนี่ยนะเพราะการุณาแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาและมีกรุณามีปัญญาไม่เบียดเบียนตัวมีกรุณาแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็ต้องมันมันอธิษฐานมันสมาทานให้กุศลธรรมเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าคิดว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะ แม้กระทั่งค้าขายเป็นต้นเขายัางคิดเลยว่าปีนี้สินค้าของเขาจะมียอดเพิ่มเติมขึ้นขนาดไหนในภายในเนี่ยเดือนนี้ถามว่าวันนี้ของปีหน้าเราต้องมีศรัทธาขึ้นอีกเท่าไหร่เคยเคยคิดอย่างนี้ไหมลุงเรืองคิดไหมไหมว่าเออปีหน้าเนี่ยวันนี้ของปีหน้านะศรัทธาจะต้องคูณอีกเท่าตัวรู้จักพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัวเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัว ไม่ใช่ว่าปีนี้ก็สวดมนต์เท่านี้ปีหน้าก็อารหังตามเดิมเนี่คิดอยู่ได้เท่านี้อารหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาหน้าเบี้ยวอย่างนั้นน่ะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนอ้อนทําไมมันเป็นอย่างนั้นพ่นานไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นพรานอารหังปั๊บเนี่ยปีติขึ้นเลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ันนะสัมมาสัมพุโทโธก็เข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นนั้นไล่เลยศรัทธาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวอนุตโรทุกบทเนี่ยโอ้ยเลื่อมใสจริงๆเลยมั่นคงไม่วันไวปีที่แล้วเข้าใจนิดหน่อยเองปีนี้เข้าใจขึ้นมาตั้งเยอะปีหน้าจะต้องเยอะกว่านี้อีกสิบเท่า20ิเท่าสิปีข้างหน้าจะต้องเจริญอย่างเดียวชาติหน้าไม่แน่เพราะมันไม่ได้ศึกษาแล้วอาจจะจบลนะมันก็พยายามศึกษาชาตินี้ให้มันดี แล้วก็ศีลของเราเป็นยังไงกุศลศีลของเราเนี่ยเรารักษาเจตนาเหนียวแน่นขนาดไหนรักษาศีลกับรักษาสติกเกอร์มันคนละอย่างกันรักษาสติกเกอร์ก็เหมือนกับรักษาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์กันนะั่นแหะแต่ว่าถ้ารักษาศีลน่ะเป็นยังไงก็รักษาตัวกุศลเจตนาวันวันหนึ่งเรารักษาเจตนาใจของเราบ่อยไหมใจที่ปราลบที่เว้นจากการฆ่ามีบ่อยไหมมันมีกําลังขนาดไหนแล้วตอนนี้ นะนะเราก็มาไล่ดูนะเจตนาในกุศลกรรมบทเราขนาดไหนเจตนาที่เว้นจากเอาถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเนี่ยเรามองเห็นของของผู้อื่นคิดยังไงบ้างเรามองเห็นเพศเพศตรงกันข้ามกับเราที่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเราคิดยังไงเห็นไหสิ่งใดที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราเราเราหวงแหนอริยทรัพย์ของเราไหมที่เราจะพูดถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราแน่ใจนะว่าเราพูดด้วยสัมมาวาจาเรามั่นใจนะว่านี้จริงนี้ ไม่ใช่สร้างความร้าวรานแตกแยกนี้เป็นคําพูดที่ไม่ได้มุ่งประทุษร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นคําที่เราเองก็ยินดีที่จะฟังคํานี้จากผู้อื่นกล่าวเขาบอกว่าถ้อยคําที่ใครใช้คําได้ดีก็คือแม้แต่ตัวเองก็ยังฝากอยากฟังคําประเภทนี้จากผู้อื่นนั่นแหละเรียกว่าคําไม่หยาบเพราะตัวเองยังอยากฟังแต่ถ้าอยากให้แต่ผู้อื่นฟังตัวเองไม่อยากได้ยินนะคําหยาบแน่นอนคําเดียวกันนะถ้าตัวเองไม่อยากได้ยินนะแต่อยากพูดให้เขาฟัง แต่ตัวเองไม่อยากฟังอันนั้นคําำยากอันนั้นเราเรามีเจตนาในการใช้คําอย่างไรและคําที่เราพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงหรือและมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงหรือถ้าคําใดที่เราพูดแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยคําพูดนั้นเป็นเพอร์เจอร์โดยส่วนเดียวเพราะว่าผู้พูดก็ไม่รู้ว่าพูดให้มันเป็นอะไรคนฟังเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฟังให้มันเป็นอะไร อันนี้คำพูดลักษณะนั้นเป็นเพอร์เจอนะยังประโยชน์โลกนี้ไม่สําเร็จยังประโยชน์โลกหน้าไม่สําเร็จนอกจากนั่งสนทนาค่าเวลากับตัวเองไปพร้อมกันพวกพลีชีพเป็นรายนาทีนาะทีละนิดทีละนิ ด, นดเดี๋ยวก็หมดชีวิตไปชาติหนึ่งละมันก็แล้วอีกอันหนึ่งเลยนะเจตนาคืออะโทสะหรืออัพพยาบาทของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นไหมเราลองสังเกตถามใจเราเหมือนกันว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเรามีเมตตาขึ้นมากไหม หรือว่าเอาใจแต่เอาแต่ใจตัวเองเก่งกว่าเดิมขึ้นอันนี้ต้องถามบ่อยๆเหมือนกันนะเรามีอโทสะมีกําลังยิ่งขึ้นไหมหรืออัพยาบาศมีกําลังขึ้นไหมกุศลกรรมบทข้อนี้มีกําลังขึ้นไหมหรือเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นหรือเรียกว่าหงุดหงิดง่ายชุนเฉียวง่ายโมโหง่ายฟังเรื่องอะไรทุกเรื่องไม่สบายใจได้หมดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องในความรู้สึกนึกคิดของเรามันเรื่องใหญ่ไปหมดเลยถ้าอย่างนี้กุศลกรรมบทเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อภยาบาทไม่ค่อยจะมีกําลังเท่าไหร่เพราะว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมันไม่มีรอกที่เป็นโทสะนี่ต่อไปอณาพิชาเนี่ยนะอณาพิชาแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยมุ่งสู่อะไรกันแน่สิ่งที่เราต้องการนี่เร า, เราอยากได้รูปใช่ไหมมาตรวจสอบตรวจสอบถามตัวเองว่าเราอยากได้รูปใช่ไหมเราทําทุกอย่างเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโพธะใช่ไหมเราต้องการสแสวงหาวัตถุกรรมใช่ไหม ถ้าต้องการแบบนั้นหอยหิว oh <h ills> ต้องการแบบนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิ ช, ชาเรามีกําลังนะแต่ถ้าเราต้องการกุศลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าอนะพิ ช, ชาต้องเป Geez ิดปราถนาเพิ่มพูนกุศลธรรมนี่เป็นอนะพิ ช, ชาแต่ถ้าต้องการวัตถุ ก, การมทั้งหลายเป็นอภิ ช, ชาแต่ปรารถนาความเจริญแห่งกุศลธรรมเป็นอนะพิ ช, ชาแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเราเป็นอย่างไรกรรมสกกตายานเราเป็นอย่างไร วิปัสนาญาณเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจคำสอนขนาดไหนอะไรอย่างไรก็อยากจะกล่าวเพื่อการทบทวนในบุญกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะมนุษยธรรมคือกุศลกรรมมาบท1ิมนุษยธรรมคือกุศลกรรมมบทสิรรอสของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าตกนรกขึ้นสวรรค์คุยกันที่ไหนใครบอกได้ใครไวยกรเรา กุศลจิตในใจเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราทั้งหมดพันคนที่เจริญกุศลธรรมระดับสูงยิ่งไปยิ่งเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเกรงใจโดยเฉพาะเกรงใจที่เป็นบุญเป็ น, ปนกุศลถ้าถ้าปล่อยให้จิตเป็นบุญเป็ น, ปนกุศลได้บ่อยๆเท่าใดก็เป็นคนที่เคารพตัวเองนะนะคนที่มีความเคารพย้ำเกรงต่อตัวเองเรียกว่าฮิริโอตับฮิริมีกําลังถ้าเข้าใจทราบซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็จะเคารพพระองค์มาก เท่านั้นโอตตะ ป, ปะของเราก็จะมีกําลังฮได้โอตตะ ป, ปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลฮิริเหตุโอตตะ ป, ปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเราก็จะเพิ่มพูนบุญกุศลที่เรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลได้บ่อยๆขึ้นพูดถึงว่าในโลกของคนที่ทําบาปทําอกุศลเนี่ยเขาคิดเรื่องบาปเนี่ยคิดเยอะไหมถามว่าสมมติใครวางแผนฆ่าสักเรื่องหนึ่งะนะวางแผนจะฆ่าสัตว์ฆ่าฆ่าแม้กระทั่งฆ่ามดนะ วางแผนจะฆ่ามดนี่ก็คิดเยอะนะจะฆ่าปลวกฆ่าสุนัขฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าคนฆ่าทำสงครามเนี่ยพวกนี้คิดมากทั้งหมดเลยถามว่าเจตนาที่งดเว้นจากมาปานาติบาศของเรานี่เอามาคิดบ่อยไหมเอามาวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไม่ฆ่าปลวกเอามาไล่ไม่สมควรแก่การฆ่าโดยประการทั้งปวงมดแมลงก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องฆ่า อธิบายไม่ได้เลยว่าเราจำเป็นต้องฆ่าเวนมีแต่ไม่ฆ่าอย่างเดียวรู้ว่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปอย่างไรถ้าเวนจากการฆ่ามีคุณานิสงมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เพิ่มพูนเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพันกุศลธรรมที่สำคัญอันหนึ่งก็คือกุศลศีล น, นั้นเราต้องมันมามาปรารบให้กุศลศีลเนี่ยแข็งแรงมีกำลังพันคนที่ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศรัทธาคือเป็นผู้มี มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเรากุศลเจตนาไม่หนาแน่นเราเองจะศึกษาพระพุทธคุณได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างว่าข้อความที่ปรารบศรัทธาเป็นถ้อยคําที่คนไม่มีศรัทธาเกลียดที่สุดว่าไงบอกว่าคําพูดที่ปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบความเพียรคนเกียดคร้าน ไม่ชอบฟังถ้อยคำปรารบสติคนหลงลืมไม่ชอบฟังถ้อยคำปรารบสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบฟังถ้อยคำปรารบปัญญาคนโง่เขลาไม่ปรารถนาจะฟังเนีนะนั้นอันหนึ่งที่ที่เราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะช่วยตรวจสอบแล้วก็รักษาสุขภาพจิตของเราไปเรื่อยๆในที่สุดจิตที่นำออกจากทุกเนี่ยนะตัวที่นำออกจากทุกนะี่อยู่ที่ไหน หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นหรือว่าหลุดพ้นเพราะตรัสรู้หรือเพราะรู้โดยชอบอริยมรรคเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ที่ใจอีกนั่นแหละอริยมรรคเนี่ยประชุมที่ไหนประชุมลงที่ใจเกิดพร้อมกับใจแล้วใจของเรามีคุณภาพพอที่จะรองรับอริยมรรคได้ไหมสร้างฐานรองรับอริยมรรคได้ไหมเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามมองในความเจริญเติบโตเหมือนอย่างว่าคนที่ปลูกต้นไม้ คนที่ปลูกต้นไม้ก็ยังหวังความเจริญเติบโตอะไรออกเป็นดอกเป็นเป็นผลเป็นอะไรทั้งหลายเลยนะเป็นดอกเป็นชอบเป็นผลเป็นอะไรไปคนที่ปลูกศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยภาษาทีบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้ามีมีอะไรรากของพระองค์คือศีลลําต้นคือลําต้นคืออะไรนไเมื่อวานเมื่อวาน ยังไงนะมีสมาธิเป็นลําต้นมีปัญญาเป็นกิ่งก้านมีอภินญาเป็นดอกมีววมุติเป็นผลอันนั้นคือต้นไม้คือพระพุทธเจ้ามีศีลเป็นรากมีสมาธิเป็นลําต้นมีกิ่งก้านเป็นปัญญาปัญญาคือกิ่งก้านดอกที่งดงามออกช่อทั่วไปหมดเป็นอภินญาววมุติเป็นผลผลของทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ปลูก ที่จริงเนี่ยเรามาปลูกอะไรไว้ในใจของเราบ้างแล้วปลูกฝังให้มันลงอยู่ในใจของเราเลยนะปลูกศรัทธาลงในใจของเราเนี่ยนะปลูกต้นศรัทธาขึ้นในใจปลูกต้นศีลลงในใจปลูกต้นเจตนาเนี่ยลงในใจแต่เป็นเจตนาที่เป็นศีลเรียกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายใครที่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะศึกษาธรรมะคืออะไรคือดึงคุณภาพของมหากุศลและเจตสิกที่เกิดร่วมเอามาใช้งานในมากที่สุด ดึงอากุศลเจตสิกทุกชนิดออกมาใช้งานเพิ่มภูมคุณภาพให้หมดเลยเช่นดึงกุศลเจตนาออกมาให้มันมีกําลังเพราะเจตนาเป็นศีลก็ดึงเจตนาออกมาใช้งานให้มันเต็มที่ดึงกุศลสัญญาออกมาใช้งานให้เต็มที่ดึงความสุขที่เป็นไปกับกุศลให้มีอย่างเต็มที่ดึงฮิริโอตตะดึงวิตกดึงวิจารณ์ที่เป็นไปกับกุศลวิตตกเป็นต้นเนี่ยนะดึงกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นภูมิคุ้มกันอย่าง เต็มที่เลยแหละเรียกว่าสมาทานปลูกฝังบุญกุศลเหล่านี้ให้ต้นบุญต้นกุศลเหล่านี้เจริญ ง, งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใครที่เรียนปัจจัยมาจะรู้ว่าอย่างเช่นกลุ่มอะโลพะอะโทสะอโะอโมหะเป็นเหมือนกับรากเหตุสมาธิเป็นต้นเป็นมักสมาธิเป็นต้นเป็นมักเนี่ยนะเป็นมักอะไรเป็นอินทรีย์อะไรเป็นมักอะไรเป็น เนี่ยนะอะไรเป็นอธิบดีเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีการใคร่ครวนแล้วก็พัฒนาคุณภาพแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทำยังไงจะดึงคุณธรรมเหล่านั้นให้เจริญงอกเงยเพราะคุณธรรมเหล่านั้นที่อยู่ในใจเรานี่แหละเป็นนิยานิกระทามเป็นคุณธรรมที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะมันสมาทานหมันอธิษฐานปลูกฝังให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญเจริญเท่าไหร่ก็ใกล้ต่อความ คนทุกเท่านั้นแต่ถ้าไม่เจริญขึ้นเลยเนี่ยนะก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมกุศลไม่เจริญเลยหรือเราไม่เคยตั้งอัตตสัมมาปณิทิให้กุศลเจริญมาฝึกขึ้นเลยว่ากุศลต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็ทบทวนในกุศลที่เราได้กระทํามาแล้วให้ดีๆเนี่ยนะ